ในบัดนี้เขากำลังสร้างโชคให้ตัวเองเหนือกว่าผู้ประสบลาบลอยระดับรางวัลที่หนึ่งทุกชนิดแล้วพบชาติเป็นสิ่งน่ากลัวหมู่ชนผู้ไม่ตระหนักในภัยใหญ่หลวงย่อมหลงไหลสแสวงสุขกันอย่างหน้ามืดตามัววันหนึ่งเมื่อมาจูราจะยื่นหัดมาร่าชีวิตไปพวกเขาย่อมคลั่งครวนด้วยความไม่รู้และดิ้นรนขอต่อชีวิตด้วยความมาดหมายจะกลับมาเสพสุขอีก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 ฉันเริ่มคิดตั้งเป้าใหม่ว่าจะทำอะไรด้วยชีวิตที่เหลือพระพุทธองค์ตรัสตอบท่านวัชชะเมื่อครั้งเป็นปริพาชกว่าสาวกผู้เป็นอุบาสกของท่านมากมายสำเร็จธรรมถึงระดับอนาคามีเพราะฉะนั้นฉันก็คิดเงียบๆว่าความเป็นอริยะบุคคลระดับนั้นแหละที่ฉันจะทำให้ถึงก่อนบวชจากเสขัดสูตร